ตอนที่163ถูกปฏิเสธถ้าเราเปลี่ยนคนกระทันหันแบบนี้จะดีหรือคะหลี่ชิงผิงค่อนข้างกั ง, กงวลนางคิดว่าทุกบ้านต่างก็มีธุระบางที่ป้าคนนั้นอาจจะกําลังลําบากจริงๆอีกอย่างป้าคนนี้ก็ทําหน้าที่ได้ไม่เลวอย่างน้อยก็ดูแลเด็กด้วยความจริงใจถ้าเปลี่ยนคนใหม่ก็ไม่รู้ว่านิสัยใจคอจะเป็นอย่างไรตอนที่จ้างเราก็บอกแล้วว่าบ้านเราสถานการณ์พิเศษทางที่ดีอย่าลากิจแต่พออวิ๋งชงต้องเข้าโรงพยาบาลและต้องการคนดูแลนางกลับขอลากิจเสียอย่างนั้น แถมลายยังลาตั้งหลายวันแล้วธุรัที่บ้านเราจะทําอย่างไรเจ้าชุนฮวาแบมืออย่างจนใจไม่ได้การเราไว้ค่อยคุยกับนางให้ชัดเจนถ้าไม่ได้จริงๆก็ต้องให้ออกลีชิงพิงไม่ได้พูดอะไรอีกเรื่องในบ้านนอกบ้านล้วนมีแม่สามีเป็นคนตัดสินใจทําให้นางประหยัดแรงไปได้มากแม่สามีว่าอย่างไรนางก็ว่าตามนั้นชิงพิงเจ้าดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจนะมีอะไรก็บอกแม่ได้ความสัมพันธ์ระหว่างเราแม่สามีลูกสะพ้ยก็ไม่ต่างจากแม่ลูกแท้ๆหรอก เจ้าชุนหวาสังเกตหลีชิงถิงเห็นนางอึกศักเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างในใจก็เริ่มรู้สึกร้อนรนขึ้นมาไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรหรอกค้าหลีชิงถิงพูดจบก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมไม่ใช่ค่เป็นเรื่องสําคัญเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรเป็นแค่ฉันที่คิดฟุ้งซ่านไปเองคนเดียวอวินชงมีคนอื่นข้างนอกหรือหัวใจของเจ้าชุนหัวดิ่งบูบสิ่งที่นางคิดได้มีเพียงเรื่องที่เจ้งางวินชงทําเรื่องผิดต่อหลีชิงถิงเท่านั้นมีเพียงเรื่องนี้ที่จะทําให้หลีชิงถิงกังวลได้ขนาดนี้ เปล่าเขาไม่มีค่ะแม่ขยับพูดต่อหน้าเด็กๆ เ, เชียนะคะหากเด็กๆได้ยินเรื่องไม่ดีจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของเจิ้งอวิ๋นชงในใจของพวกเขาได้ไม่ใช่หรือเจ้าชุนฮวาถึงได้ถอนหายใจอย่างโล่งอกกลับใดที่ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องอื่นก็ถือเป็นเรื่องเล็กแล้วเจ้าอยากจะพูดอะไรยามวัวแต่อึกอักสิแม่ตกใจหมดเลยอวิ๋นชงบอกว่าลีชิงพิงลังเล ค, ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวเขาสงสัยว่าเซ้าเฮิงจะชอบเสียหวานค่ะ เจ้าชุนฮวานิ่งไปครู่หนึ่งเมื่อตั้งสติได้ก็นิ้วหน้าเด็กสองคนนี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกันไม่ต้องกังวลหรอกหากพวกเขาจะรักกันจริงๆก็ไม่ต้องพิจารณาเรื่องสายเลือดคนหนึ่งเป็นคนตระกูลหยวนอีกคนแท่หลีแม่ขาฉันนึกว่าแม่จะไม่เห็นด้วยเสียอีกหลีชิงทิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยดูเจ้าพูดเข้าสิเห็นแม่เป็นคนหัวโบราณขนาดนั้นเชียวหรือแม่มีอะไรจะไม่เห็นด้วย ถ้าเด็กสองคนใจตรงกันจริงแม่ก็สนับสนุนเต็มที่เสียวหวานของบ้านเราเก่งกาจขนาดนี้เจ้าคิดว่าผู้ชายแบบไหนถึงจะคู่ควรกับนางเจ้าชุนหวาวิเคราะห์ให้หลีชิงพิงฟังอย่างจริงจังเจ้าคงไม่ได้นอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเรื่องนี้หรอกนะไม่จําเป็นเลยเรื่องของเด็กๆต่อให้เจ้าอยากจะขวางก็ขวางไม่ได้หรอกเว้นแต่ว่าเจ้าจะไม่พอใจเศร้าเหงเปล่าข้าฉันจะไปไม่พอใจได้อย่างไรเศร้าเหิงฉลาดหลักแหลมทั้งยังเป็นหลานชายของตระกูลหยวนที่มั่งคั่งที่สุดเงื่อนไขของเขาดีขนาดนั้นคาดว่าข้างนอกคงมีคนจ้องตาเป็นมัน ลีชิงพิงเข้าใจเหตุผลเหล่านี้ดีเพียงแต่ในใจยังรู้สึกตะขิตตะขวงอยู่บ้างนางมองหยวนเศร้าเหิงเป็นหลานชายมาตลอดผลสุดท้ายจะกลายเป็นลูกเคยในอนาคตหรือการเปลี่ยสถานะนี้มันรวดเร็วเกินไปหน่อยจะว่าไปเจ้าอย่าไปเชื่อข้อสงสัยของอวิ๋งฉนักเลยตัวเขาเองก็ทึมทเหมือนทอนไม้หัวไม่เปิดรับเรื่องพวกนี้หรอกถ้าเขามองออกจริงๆก็คงเป็นเรื่องมหัศจรรย์แล้วเจ้าชุนฮาวาหัวเราะเบา เอาลวันนี้แม่จะดูเด็กๆ เ, เองเจ้าก็รีบปรับห้องไปพักผ่อนเสียหน่อยถ้านอนไม่หลับก็กินยานอนหลับเสียอย่ามัวแต่คิดฟุ้งซ่านถ้านอนไม่พอจะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะข้าขอบคุณค้าแม่ฉันจะไปนอนเดี๋ยวนี้แหละค่ะหลีชิงถิงยกมือขึ้นนวดหัวคิ้วเจ้าชุนหัวอุ้มหลานชายตัวน้อยทั้งสองคนออกไปในห้องพันเงียบสงบลงแต่นางต่อให้กินยาก็นอนไม่หลับสมองยังคงจำใสเกินไปจนขอบตาปวดหนึบหลีหว่านไม่รู้เลยว่าหลีชิงถิงกําลังกังวลเรื่องของนาง ช่วงก่อนหน้านี้นางพิ่งฝากตัวเป็นสิทธิ์ของเซี่ยเหลาตอนแรกศาสตราจารย์เซี่ยเหลาตั้งใจว่าจะไม่รับลูกศิษย์แล้วแต่เขาก็ชื่นชอบในความเฉลียวฉลาดของหลี่หวันจริงๆเพื่อให้หลี่หวันได้เปิดหูเปิดตาเซี่ยเหลาที่ใกล้จกกะเกษียณแล้วจึงเริ่มพานางไปร่วมงนานประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านแพทย์แผนจีนต่างๆเซี่ยเหลาถึงขนาดจัดเตรียมให้หลี่หวันขึ้นไปกล่าวสุนท ร, รพจน์บนเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับทุกคนในช่วงพริบตาหลี่หวันก็กลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง ที่เป็นที่ต้องการตัวอย่างมากในวงการแพทย์แผนจีนเมื่อประสบการณ์กว้างขวางขึ้นนางก็ย่อมยุ่งมากขึ้นตามไปด้วยหยวนเซาเหิงไปดักรอที่โรงเรียนหลายครั้งแต่ก็ไม่พบตัวเลยสักครั้งแถมทุกครั้งยังได้เจอเหวนโม่แทนเหยวนโม่มักจะมีน้ำใจบอกที่อยู่ของหลี่หวานให้เขาเศร้าเสมอครั้งนี้เหวนเซาเหิงก็ยังรอหลี่หวานไม่พบเหวนโม่บอกว่านางตามาศาสตราจารย์เซียเหลาไปตรวจคนที่ที่โรงพยาบาลประชาชนประจําเมือง นี่เป็นครั้งที่ห้าแล้วศินะที่นายมาเสียเที่ยวเหวินโม่คำนวณเงียบๆฉันว่าวันหลังนายไม่ต้องเสียแรงเปล่าแบบนี้หรอกเสียวันยุ่ง ม, มากปกติที่โรงเรียนยังแทบไม่เห็นตัวนางเลยเรื่องของเราสองคนเกี่ยวอะไรกับนายด้วยเหยวนเซาเหิงจ้องเหวนโม่เขม็งแล้วเอ่ยเสียงเย็นก็ไม่เกี่ยวกับฉันจริงๆนั่นและแต่ถ้ามองในแง่หนึ่งเราสองคนดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันนะเหวินโม่พูดแล้วก็รู้สึกคําขึ้นมาจนหลุดหัวเราะ ศา ส, สตราจารย์ยังบอกว่าฉันเป็นคนขี้ขาดไม่มีอนาคตฉันว่านายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกเนื่อไม่ชอบก็ควรจะพูดออกมาให้ชัดเจนทำแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์เสียวันดูเหมือนจะเป็นคนรู้ความเรื่องรักใคร่ช้าเสียด้วยเมื่อกระชากหน้ากากที่กั้นกลางระหว่างพวกเขาออกหยวนเศร้าเหงื่ก็มองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาลงหลายส่วนพูดจบหรือยังจบแล้วเหวนโม่เองก็ไม่มีอะไรจะคุยกับเขามากนะัก ตอนนี้เราสองคนอยู่ในสถานะแข่งขันกันอย่างยุติธรรมฉันดีใจที่มีคู่แข่งอย่างนายน่านแสดงว่าสายตาของฉันยอดเยี่ยมมากเรามาดูกันเถอะว่าใครจะชนะใจนางได้ในดวงตาคมปราบของหยวนเศร้าเหิงมีความรู้สึกบางอย่างพรุ้งพล่านเขาหายใจเข้าลึกๆยังไม่ทันได้อ้า ป, ปากพูดก็ได้ยินเหวินโม่ร้องออกมาด้วยความดีใจเสี่ยวหวานทันใดนั้นร่างกายของหยวนเศร้าเหิงพันแข็งที่ขณะหันกลับไปหลีหวันยืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ เมื่อครู่เขามัวแต่สนใจเหวนโม่จนไม่ได้สังเกตเลยถ้าอย่างนั้นเสียวหวานได้ยินหมดแล้วใช่ไหมเหยวนเศร้าเฮงรู้สึกกระวนกระวายใจอย่างบอกไม่ถูกสายตาที่มองหลีหวานแฝงไปด้วยความระมัดระวังเสียหวานที่มารับไปกินข้าวในตอนนี้ยุ่งเสร็จหรือยังเออฉันจะว่าไปก็ยังยุ่งไม่เสร็จข้ามื้อเที่ยงฉันกะว่าจะกินที่โรงอาหารให้จบจบไปตอนบ่ายยังต้องไปหาศาสตราจารย์เสียเหล่าอีกนี่เป็นครั้งแรกที่หลีหวานปฏิเสธเหวนเศร้าเหงิง ความรู้สึกนี้ทําให้หยวนเศร้าเหิงรู้สึกไม่ดีเลยเขาสัมผัสได้ถึงความผิดปกติบางอย่างเสียหวานงั้นเราไปกินที่โรงอาหารด้วยกันก็ได้ไปเถอะที่ค่ะปกติพี่ก็เรียนหนักอยู่แล้วไม่ต้องมาคอยอยู่เป็นเพื่อนชั้นรอกข้าฉั้นจัดการเองได้ไวรอระว่างตรงกันช่วงปิดเทอมค่อยมานัดเจอกันใหม่นะคะลีวันฟื้นยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวไปโรงอาหารก่อนนะคะพี่กลับไปก่อนเถอะค่ะ